เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวาก้าโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันพ ร, ระภูมีพระภักเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอ่ะ กาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนณะยิโกควรน้อมเข้ามาในตนปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิตอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน อันความรู้จำเพาะตนนี้ย่อมเป็นธรรมดาของความรู้ทั้งหลายแม้ความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจก็เป็นความรู้จำเพาะตนความรู้ศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เป็นความรู้จำเพาะตนผู้ใด ศึกษาเล่าเรียนผู้นั้นก็รู้จำเพาะตนเมื่อใครต้องการจะรู้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นของความรู้ทั้งหลายทุกอย่างและ ก็เพิงบอกผู้อื่นได้เพื่อให้รู้ตามเท่าที่ผาษาที่ใช้อยู่จะเพิงบอกได้แต่จะให้ผู้รับบอกได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนั้นยอมไม่ได้ ผู้ที่ต้องการจะรู้จะเห็นจริงๆก็ต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่เห็นได้ด้วยตาผู้ที่ไปเห็นสิ่งใดดึงๆด้วยตาตนเองและมาบอกผู้ที่ ยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตนเองนั้นก็บอกได้เท่าที่ภาษาที่ใชจะสามารถบอกได้ก็พอให้โคฟังได้ทราบทางที่จะไปสู่ที่นั้นและได้ทราบลักษณะบางประการของสิ่งนั้นแต่ว่า ก็ไม่เหมือนอย่างไปเห็นด้วยตาตนเองเมื่อไปเห็นด้วยตาตนเองนั่นแหละก็จะเห็นได้จริงและก็จะรู้ว่าคำที่บอกเล่านั้นเป็นจริงอย่างไรแม่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ส่งสั่งสอนก็เช่นนียวกันก็ทำให้ผู้ฟังได้รู้ทางปฏิบัติที่จะได้รู้ได้เห็นธรรมะนั้นและได้ทราบลักษณะบางประการของธรรมะนั้นอันจะเป็นทางนำให้ไปดู ให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามที่ตรัสสอนเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่ตรัสสอนนั้นจึงจะรู้จึงจะเห็นธรรมะนั้นด้วยตนเองและก็และก็จะได้ทราบทันทีว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น เป็นความจริงเป็นธรรมะที่เป็นอย่างเดียวกับที่ตนได้ปฏิบัติจนถึงรู้เห็นได้ในตุตนเองเพราะฉะนั้นจึงได้ความรู้ขึ้นอย่างแน่นอนทันทีว่าอาโหบุตโทรจริงหนอพระพุทธเจ้า เป็นภูตรัสรูประเสริฐจริงเป็นภูตรัสรูเาโธธรรมโมประเสริฐจริงธรรมะเาโธสร้างโโประเสริฐจริงสังฆะหรือประสงค์หลังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้พระพุทธเจ้าเด็ดดัดสอนแสดงทางปฏิบัติในสติปัฏฐานดังที่ได้แสดงมาผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับก็ย่อมจะได้รู้ได้เห็น ในธรรมะที่ตนปฏิบัติไปนั้นและเมื่อปฏิบัติได้ถูกทางเข้าทางย่อมจะได้พบสัจจะคือความจริงตามที่ทรงสั่งสอนและข้อที่ปฏิบัตินั้นก็เป็นข้อที่ปฏิบัติได้ที่รู้เห็นได้ ที่ว่ากันว่ายากหรือง่ายก็ว่าไปตามพื้นปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอยู่ในพื้นของตนก็ย่อมรู้สึกว่าไม่ยากเมื่อปฏิบัติที่อยู่สูงกว่าพื้นของตนขึ้นไปก็อาจจะรู้สึกว่ายาก แต่อันที่จริงนั้นการปริบัติไม่ยากไม่ง่ายเหมือนอย่างการขึ้นบันไดก็เป็นการไม่ยากไม่ง่ายจะเกิดยากเกิดง่ายก่อนในเมื่อการขึ้นนั้นเมื่อขึ้นสูงทีเดียวมากหรือก้าวขึ้นไปไหลายเลขั้นทีหนึ่งจึงจะรู้สึกว่ายาก และเมื่อจะก้าวขึ้นไปมากขั้นเกินไปก็ไม่สามารถจะเป็นอันว่าทำไม่ได้และเมื่อก้าวขึ้นไปหยุดอยู่เฉยๆหรือขึ้นไปทีละน้อยก็อาจจะรู้สึกว่า ง, ง่ายก็เป็นอันว่าอยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติพื้นของการปฏิบัติ เมื่อทำไปโดยลำดับแล้วก็เหมือนขึ้นบันไดไปตามลำดับขัน้นไม่ใช่เป็นการยากไม่ใช่เป็นการง่ายเป็นไปโดยปกติธรรมดาและแม้จับปฏิบัติในข้อในข้อหนึ่งตามที่ทรงสอนก็ยมโยงถึงข้ออื่นได้ด้วยเพราะว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้น เป็นเอกายโนมักโกคือเป็นทางไปอันเดียวกันต่อเนื่องกันไปที่อยู่ในทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่แตกแยกดังที่ได้แสดงมาในสติปัฏฐาน ถ็นข้ออาจนณะปร ะ, พะโพดชังกับประติดต่อกันและได้แสดงข้อที่ว่าได้โพดชมซึ่งใช้เป็นหลักในการปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถะและฝ่ายวิปัสนาและจะได้ ขยายความในข้อที่ว่าหรืออายตนะณะซึ่งเด่นตัสดสอนให้ทาสติ์กำหนดรู้จากอายตระณะภายในอายตะณะภายนอกที่คู่กันกับสัญญต คือความประกอบใจไว้หรือผูกใจไว้ที่อาศัยความประจบกันของอาจารย์ที่ครูกันนั้นบังเกิดขึ้นซึ่งในข้อนี้นับว่าเป็นข้อหลักของภูปฏิบัติธรรมข้อหนึง่งซึ่งยองไปถึงข้ออื่นอันสังโยช์หรือสัญโยชน์ ที่แปลว่าประกอบไว้หรือผูกไว้หมายถึงอาการที่จิตนี้ผูกหรือประกอบอยู่กับรูปที่เห็นทางตาก็เรียกว่าผูกอยู่กับตาและรูปนั่นเองข้อนี้ ย่อมมีอยู่แก่จิตที่เป็นกามาพรจรคือที่ยังเที่ยวไปในกามโดยปกติเพราะว่าจิตที่ได้ออกรู้อารมณ์รับอารมณ์ทางตาคือเมื่อ ตาและรูปประจบกันจิตก็ออกรับรูปทางตานั้นเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องที่นำมาผูกใจไว้มาคิดมาปรุงแม้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันคือในอาจตนัข้อต่อต่อไปที่เป็นคู่คู่เช่นหูกับเสียงเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน จิตก็ออกรับมาเป็นอารมณ์มาผูกใจไว้แม้ว่าการที่อาจระณะมาประจวบกันนั้นจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าอารมณ์ก็ยังติดค้างอยู่ในใจไม่ผ่านพ้นไป เพราะว่าจิตนี่เองผูกเอาไว้ประกอบเอาไว้หรือจะกล่าวว่าอิเลส ท, ที่เป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องประกอบอยังผูกอารมณ์ว่ากับจิตก็ได้นี่แหละคือสัญญอดและสัญญอดหรือสัญญอดดังที่กล่าวมานี่ท่านยกเอาหันธราคะ ความติดด้วยอำนาจของความพอใจหรือพูดรวมกันว่าความพอใจรักใครหรือความพอใจติดใจก็ได้ลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็นกามฉันนิวรและเมื่อมีกามฉันนิวรณ์ก็มีนิวรข้ออื่นๆ มีพยาบาินิวรณ์เป็นตน้นทั้งห้าอก็สืบเนื่องมาจากอาการที่จิตผูกไว้หรือประกอบไว้ดังกล่าวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสังโยชน์หรือสัญโยชน์ดังกล่าวนี้ก็คือนิวรณ์หรือว่า นำให้บังเกิดปนิวรต่อไปก็ได้โดยที่จะต้องมีผูกมีประกอบใจไว้ก่อนเรื่องรักเรื่องชังจึงจะบังเกิดขึ้นต่อไปแต่หากว่าใจไม่ผูกไว้ไม่ประกอบไว้ซึ่งอารมณ์ท้งปวงนั้นรักชังก็จะไม่เกิดจะว่าดังนี้ก็ได้ ความสำคัญจึงอยู่ที่จใจผูกเอาไว้ประกอบเอาไว้ไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นจึงได้ตระสอนในธรรมสติในขณะที่ตากับรูปประจบกันจนถึงมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจบกันเป็นต้นในตอนนี้ ยังไม่ได้ตรัสสอนให้ให้ละตรัสสอนให้รู้ให้มีสติรู้จักตาให้มีสติรู้จักรูปที่ตาเห็นให้มีสติรู้จักสังโยชน์คืออาการที่ใจผูกหรือประกอบไว้ในรูปที่ตาเห็นนั้น คือว่าจิตที่เป็นกามาผจรย่อมจะต้องมีการผูกหรือการประกอบไว้ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นในขั้นแรกจึงยังไม่ตรัสสอนให้ละแต่ตรัสสอนให้รู้จักให้รู้จักตารู้จักรูปรู้จักสัญญาณที่อาศัยตาและรูปบังเกิดขึ้น คือให้ทำสติคอยตามรู้คอยตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของจิตที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาตามปกติเพราะว่าโดยปกติสามั ญ, ญชนนั้นไม่ใช้สติ เข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นภาวะท้งจิตใจของตนว่าเป็นอย่างไรแต่ไปเกาะติดอยู่ที่อารมณ์นั่นเองไปปรุงอารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่จะปรุงนั้นก็ต้องตั้งขึ้นในใจคือตั้งขึ้นในจิตก่อนถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ตั้งขึ้นในจิตจิตก็ไม่สามารถจะปรุงได้ อารมณ์ต้องตั้งขึ้นในจิตอารมณ์จะตั้งขึ้นในจิตได้ก็ต้องมีการผูกไว้มีการประกอบไว้เหมือนอย่างวัตถุที่เอามือกำเอาไว้ก้อนเห็นกำก้อนเห็นไว้ก่อนเห็นก็อยู่ในมือตอนเมื่อแบ่มือไม่กำ ่อยมือลงก้อนเหงนก็ตกลงก็จะนั้นลักษณะแรกที่สุดก็คือว่าเกาะเอาไว้จำเอาไว้ก็คือว่าประกอบไว้ผูกไว้นี่เอต้องมีอาการดังนี้บังเกิดขึ้นก่อนตือตั้งขึ้นในจิตก่อนผูกไว้ในจิตก่อนแล้วจิตก็ปรุงจึงเป็นรักเป็นชังต่างต่า ง, ตางแต่หากว่า จิตไปล่อยไม่กรัรมเอาไว้ไม่ผูกเอาไว้ไม่ประกอบไว้การปรุงก็มีขึ้นไม่ได้รับชางหลงต่างๆก็มีไม่ได้ก็ะจะนั่นจึงได้จัดสอนให้รู้ทันภาวะของจิตที่เป็นไปอยู่ดังที่กล่าวดังนี้เป็นตัวสติในข้อ <c oughs> ในข้อนี้และเมื่อได้มีสติทันในข้อนี้จึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้จักต่อไปว่าสังโยชน์ดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าจิตปล่อยไม่กาเอาไว้ไม่ผูกเอาไว้ไม่ประกอบไว้ การปรุงก็มีขึ้นไม่ได้รักชางหลงต่างๆก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้รู้ทันภาวะของจิตที่เป็นไปอยู่ดังที่กล่าวดังนี้เป็นตัวสติ <c oughs> ในข้อนี้และเมื่อได้มีสติทันในข้อนี้ จึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้จักต่อไปว่าสังโยชน์ดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นด้วยประการใดและจะดับไปด้วยประการใดละไปด้วยประการใดและเมื่อละได้แล้วดับไปได้แล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดเมื่อพิจารณา ตามแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ต้องอาศัยความที่มีสติให้รู้ทันต่อกระบวนของจิตดังที่กล่าวและเมื่อรู้ทันกระบวนของจิตดังที่กล่าวก็จะทำให้มีความรู้ใน อาการที่ปรุงของจิตเป็นรักเป็นชังเป็นหลงที่เรียกวันนิวรนนั้นได้ต่อไปและเมื่อกำหนดรู้ได้ดังนี้ก็อาศัยทางปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้ในข้อที่ว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา และอุปาทานต่อไปจึงมาถึงข้อเวทนาฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อเวทนาให้รู้จักเวทนาแต่การรู้จักเวทนานั้นต้องให้รู้ถึงความดับเวทนาด้วยเมื่อเป็นดังนี้เมื่อเห็นความเกิดดับของเวทนาการเป็นข้อเวทนา สติประฐานนั่นเองในขณะที่ตากับรูปได้ประจบกันก็ย่อมจะเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความเกิดดับของเวทนา <c oughs> ก็ย่อมจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้สัญญต์มันเกิดขึ้นเพราะว่า เมื่อเห็นดับใจก็ไม่ผูกในสิ่งที่ดับใจจะผูกในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ไม่ดับแต่ว่าเมื่อเห็นดับในสิ่งใดจิตจะไม่ผูกในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความเห็นเกิดเห็นดับคู่กันไปทันทีในเวทนาจึงนำให้จิตนี้ ไม่ผูกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของเวทนาเราะจะต้องเกิดเวทนาขึ้นมาก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุขเวทนาในสิ่งใดสัญญาก็มันเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเป็นฝ่ายกามฉันหรือฉันทราคาหรือราคา ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นในสิ่งใดสัญน์ในทางปฏิฆะกระทบกระทั่งหรือพยาบาทก็บังเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกขไม่สุขบังเกิดขึ้นในสิ่งใดสัญญตันเป็นฝ่ายบุหะคือความหลงก็บังเกิดขึ้นจีกล่าวดังนี้เป็นการกล่าวรวมสลัโยอดกับนิวรณ์เข้าด้วยกัน ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นเพราะเป็นกิเลส ท, ที่ใกล้กันที่สุดประกอบกันอยู่ดฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานจึงต้องอาศัยในข้อเวทนาเข้ามาประกอบและในข้อเวทนานี้เราสิ่งที่ปรุงเวทนานั้นก็ อ, อยู่ที่กายนั่นเองหรือจะกล่าวว่า ก็คืออาจตนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าคอนั้นพร้อมทั้งรูปเร้นเรินรสผลถภาต่างห้าคอที่คู่กันก็ล้วนเป็นกายทั้งนั้นคือเป็นรูปประกายทั้งนั้นมนโนกับธรรมะอันเป็นคู่ที่หกคือใจก็ประกอบอยู่ในการกับกายตั น, นับเข้าในข้อกาย สำหรับมโนกับธรรมะคือเรื่องเราเราประกอบอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ยังมีอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในข้อกายานุปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับของกายเ <c oughs> มื่อเห็นเกิดเห็นดับของกาย ก็จะทำให้เวทนานั้นไม่เกิดเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดสังยตให้เกิดติเลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในติปฐานข้อกายก็ต้องอาศัยปฏิบัติประกอบเข้ามาด้วยแน่การอพิจรารณาเห็นเกิดเห็นดับของกายนั้นเห็นได้ง่ายสืบมาเวทนา ก็ปฏิบัติได้เห็นเกิดเห็นดับได้เพราะกายนี้เองก็ปรุงเวทนาเรเวทนาเองก็ปรุงจิตให้เป็นต่างๆและธรรมะนั่นเองก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเวทนาปรุงจิตนั้นอย่างหนึ่งและเป็นผลที่บังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน คือการปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งประกอบกันะฉะนั้นก็เป็นอันว่าความสำคัญยังอยู่ที่ความที่มีสติมากำหนดให้รู้จักอา ย, ยตนะภายในภายนอกให้รู้จักสัญญาณและแยกออกไปได้ กำหนดให้รู้จักอาณาจักภายในภายนอกนั้นเป็นกายก็คือเป็นกายนี้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับให้รู้จักเกิดให้รู้จักดับและกายนี้เองคืออาณาจักภายในภายนอกนี้เองมาประจบกันก็เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาก็กำหนดให้รู้จักเวทนาและกำหนดให้รู้จักจิตที่สืบเนื่องกัน ซึ่งต่างก็ปรุงกันในกันจนถึงปรุงเป็นกิเลสขึ้นแต่เมื่อกำหนดดูให้รู้จักเกิดจากดับอันเป็นข้อสำคัญแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดเวทนาที่ก่อกิเลสและไม่ปรุงจิตก่อกิเลสเป็นสัญญา์คือผูกใหญขึ้น เพราะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตใจนี้จะไม่ผูกพันประกอบอยู่กับสิ่งดับเมื่อเห็นดับเส็จแล้วใจก็ไม่ผูกใจก็ปล่อยใจก็วางเมื่อสั ญ, ญญาต์ไม่มีคือไม่ผูกก็ไม่มีอะไรจะปรุงจะแต่งให้เป็นโลกเป็นโกรดเป็นหลงหรือเป็นรักเป็นชัง เป็นหลงขึ้นมาได้ก็ไม่บังเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาการปฏิบัติดังนี้จึงต้องอาศัยสัมโพธชงทั้งสามข้อดังที่กล่าวมาคือต้องอาศัยสติต้องอาศัยธรรมวิจัยเลิกเฟ้นธรรมให้รู้จักธรรมะที่เป็นไปในกระบวนของจิตและให้มีวิริยะคือความเพียรเพียรที่จะละ ส่วนที่เป็นกิเลสอบรมส่วนที่เป็นสติเป็นปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้สตินี้เป็นสติที่รู้ทันและให้มีปัญญาที่เป็นความรู้เท่าความรู้เท่าของกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดดับและเมื่อความเกิดดับปรากฏขึ้นจิตก็จะไม่มีสังโยชน์คือผูก แล้วเมื่อจิตไม่มีสัญญชต์คือผูกก็ไม่ปรุงให้เป็นรับเป็นคังเป็นหลงอะไรขึ้นมาทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับไปตามธรรมดาจะต้องมีสติที่รู้เท่าเสียก่อนแล้จึงจะได้ปัญญาที่รู้ทันในความเกิดความดับของสิ่งทั้งหลายต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความระบบสืบต่อไป